พ้ารมเทศสนาแผ่นที่49ลำดับที่10โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่6มิถุนายน2555มีชื่อเรื่องว่าคนมีศีลธรรมไม่ได้อยู่ที่ยูนิฟอร์ม วันนี้เป็นวันที่หมิถุนายนพุทธศักราช 2,555 หวันที่สี่เป็นวันวิสาขาบูชาแล้วก็เป็นวันวิสาขาบูชาพิเศษพิเศษตรงที่นับตั้งแต่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้วันแรกคือวันเดือนหเพนนนับมาถึงมอวันที่สี่ ได้ 2,600 ปีระว่าพุทธศยันตีแต่ถ้าว่านับวันที่พระพุทธเจ้าปรินิพานได้ 2,555 ปีเพราะนั้นถือว่าวันที่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกเป็นมหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่และก็เป็นผู้เลิศกว่ามนุษย์ทั้งหลาย พระพุทธองค์เป็นเจ้าของบริษัทบริษัทคือพุทธบริษัทเป็นบริษัทใหญ่เป็นเจ้าของบริษัท เ, เมื่อท่านเป็นเจ้าของบริษัทบริหารบริษัทท่านก็ต้องมีขุนพลหรือรองผู้จัดการหรือว่าวางทายาทเป็นลำดับมานับว่าพระพุทธองค์ได วางทายาทไว้ถีทวนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องหลักพระธรรมวินัยพระพุทธเจ้าก่อนจะปรินิพานท่านบอกว่าทมและวินัยนั่นแหละจะเป็นาศาสดาของพวกท่านทั้งหลายเมื่อเราผ่านไปแล้วธรมและวินัยยังมีอยู่ตราบใดาศาสนาของตถาคตก็ยังอยู่ตราบนั้น พระพุทธเจ้าท่านพูดแต่ท่านก็บอกว่าศาสนาของเราตถาคตที่วางไว้ห้าพันปีโดยประมาณพระอนุนกราบทูลถามว่าพระพุทธศาสานาจะครบห้าพันปีแล้วจะหมดไปเลยอย่างนั้นใช่ไหมพระพุทธองค์ตรัสบอกว่าถ้าหากว่ามีผู้ปฏิบัติต่อไปอยู่ยังนับถือเลื่อมใสยอยู่ศาสนาของตถาคต ไม่มีประมาณยาวกว่านั้นแต่ถ้าว่าไม่มีผู้ปฏิบัติในเร็ววันศาสนาของตถาคตก็คงจะไม่ถึงห้าพันปีอันนี้ก็คือพระพุทธองค์ท่านวางไว้พอประมาณใครคาว่าดูศรัทธาดูคู่คนแล้วเป็นยังไงแต่ดูดูพวกเราท่านทั้งหลายดูกระตุปัตปตุเปพอสมควร บางยุคบางสมัยทั้งที่ประเทศอินเดียเป็นประเทศเจ้าของศาสนาก็หมดนะมีแต่ท้าวรวัตถุอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นกแสดงว่าในจิตในใจของคนในยุคที่มันหมดเขาคิดยังไงคือเขาคงจะหมดรุ่นหมดยุคหมดความเคารพนับถือเลื่อมใสมันก็หมดจากดินแดนของเขา แต่พวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นพุทธบริษัทที่อยู่ในเมืองไทยประเทศไทยนับถือกันมาตั้งแต่บันพระบุรุษถ้าเอาศาสนาไหนอย่างเอาพราหมณ์มาเปรียบเทียบหรือเอาศาสนาไหนมาเปรียบเทียบถ้าหลักเหตุผลแล้วช น, นชาติไทยก็ยังนับเนื่องว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาเหตุผลจะเอามาพูดต่อหน้ากันอ้างเหตุผลต่อหน้ากัน พระพุทธศาสนาก็พร้อมที่จะให้เหตุผลต่อทุกคนว่าทำไมเพราะอะไรอันนี้คือสรุปแล้วก็คือพุทธศาสนาของเราเป็นาศาสนาเหตุผลคำตรัสหรือคาบอกที่พระรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาททุกคำสอนล้วนแล้วจะมีเหตุผลการอยู่ด้วยกันควรปฏิปัติตนอย่างไร การอยู่ด้วยกันต้องมีการเสียสละต้องมีฐานะต้องมีทานคำว่าทานคำนี้คืออามิสทานส่วนหนึ่งคือเป็นทานของภายนอกคือข้าวน้ำโภชนะอาหารธรรมทานคือให้เป็นคำพูดไม่เป็นตัวตนตัวนี้ก็สำคัญธรรมทานก็คือพวงวิทยาทานพวกแนแนวทาง ในทางที่เป็นสัมมาทิฏฐิหรือเป็นแนแนวทางสาหรับให้พวกเราได้เรียนรู้ในเรื่องต่างๆที่จะดำเนินชีวิตของเราไปในทางที่ถูกต้องอันนี้จัดว่าเป็นพวกธรรมทานคือให้แนวความคิดให้เป็นนามะนามธรรมให้เป็นธรรมธรรมทานแต่อาภิสถานคือข้าน้าโภชนาอาหารเงินคำทรัพสมบัติที่พวกเราเรียงดูกันอนา้ประจำเป็นสำคัญ ถ้าหากว่าพวกเราไม่ได้รับอามิสทานเราเกิดมาพ่อแม่ไม่ให้อามิสทานเราเราจะอยู่ได้อย่างไรถ้าหากว่าเราไม่มีอามิสทานให้แก่ลูกหลานเหลนหมูหมากาไก่ของเราสัตว์เหล่านั้นจะอยู่ได้อย่างไรอันนี้จะต้องมีอามิสทานส่วนธรรมทานหรือวิทยาทานมันถูกต้องอีกนี่แหละที่เราได้ศึกษาดูแล้วเพระพุทธเจ้าท่าน ละเอียดทีทวนรอบครอบจากนั้นกกฎระเบียบก็คือสินสินแต่ละหมวดสมควรเหมาะสมกับคู่คนประเภทอย่างไรเช่นไรอย่างครวญญาติโยมก็ศินห้าก็พอเหมาะเพราะว่าจะต้องทำมาหาเลี้ยงชีพถ้าไม่มีสินเฉลยเป็นยังไงถ้าคนไม่มีสินเฉลยมันก็าหาจุดจบ หาที่ไว้เนื้อเชื่อใจกันไม่ได้ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นในชุมชนในสังคมไม่มีเครื่องประกันไม่มีเครื่องรับประกันว่าจะเป็นลักษณะอย่างนั้นแต่ขนาดที่ว่าจะรักษาศีลเป็นใส่ชุดขาวผมขาวหรือว่าใส่ชุดขาวดำก็เถอะหรือว่าใส่ชุดสีเหลืองก็เถอะก็ไม่ใช่ว่าเราจะไว้ใจกันตลอดไป ใส่ชุดนี้แล้วทำอะไรไม่ได้หรอกต้องเป็นผู้มีสินอย่างนั้นก็ไม่น่าจะใช่อีกเหมือนกันเราก็ต้องสังเกตอีกเนี่ยหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ายังสำทับอีกว่าการอยากจะรู้ว่าผู้มีสินหรือไม่มีสินต้องอยู่ด้วยกันนานต้องอยู่ด้วยกันนานสังเกตกันถ้าถ้าว่าอยู่ด้วยกันประเดียวประดาวมองหน้าแล้วเออ น่าฉลองแบบนี้คงไม่ขโมยหนระอกคงจะไม่ทำผิดศีลหรอกคงจะเป็นผู้มีศีลเพราะเขาพูดดีเราจะไปไว้ใจกันเพียงแค่นั้นยังไม่ใช่ต้องอยู่ด้วยกันนานแล้วก็เข้าทำนองคนโบราณเขาให้เป็นสุภาษิตแล้ ว, วคำพังเพยของเมืองไทยว่าผลทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คน อันนี้ก็เหมือนกันเข้าได้กับหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าว่าจะอยู่ด้วยกันจะรู้ว่าเป็นผู้มีศินหรือไม่มีศินต้องอยู่ด้วยกันนานนะอันนี้ต้องสังเกตไม่ใช่ว่าใส่ชุดสีเหลืองอย่างนี้ขึ้นมาแล้วจะเป็นผู้มีศินไม่ใช่พวกเราท่านทั้งหลายก็ได้เห็นใส่ยูนิฟอร์มเนื่็ทําชั่วมากมายมหาศาลเหมือนกันมากมายเอ๊ ที่พวกเราได้รู้รู้เห็นเห็นเพราะว่าใจของคนเรามันอยู่ในมันเป็นกิเลสกิเลสอยู่ในใจเข้ามาแล้วไม่ชําระไม่กั้นกรองไม่ตรายตรองไม่ชําระกายวาจาใจของตอนเองมันกิเลสจะหลุดลุยได้ยังไงมีแต่เห็นมีแต่ส่งเสริมเข้าไปมีแต่ราคะโทสะโมหะเสริมเข้ามาถึงใจอยู่ในอยู่ในฟอร์มไหนก็เถอะทาชั่วใดทั้งนั้นเพราะว่าไม่ได้ ชำระใจของตนเองถ้าหาว่าผู้ที่ชำระใจแล้วถึงจะใส่ชุดไหนก็เป็นคนดีได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าว่าเราถ้าอยู่ในยูนิฟอร์มอย่างที่พระพุทธเจ้าบอกไว้อันนั้นก็จะดีกว่าแต่ถ้าว่าอยู่ในยูนิฟอร์มนี้แล้วแต่ว่าปฏิบัติตนไม่ได้ไม่ส้ำรวมกายวาจาใจอันนั้นแปลว่าประพฤติไม่อยู่ในยูนิฟอร์ม ไม่สมกับยูนิฟอร์มของตนเองที่พระพุทธเจ้ามอบให้นี่แหละอันนี้ก็คือเรื่องของศิลศินคือสำรวมกายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าสินถ้าพวกเราอยู่ด้วยกันพระอยู่ด้วยกันเป็นผู้มีศินก็ไว้เนื้อเชื่อใจกันเพราะพระมีหิริคือความละอายอตะปะคือความกลัวต่อบาปเป็นพระอยู่ในสิลและวินยัยแต่ถ้าว่าพระ ไม่อยู่ในศีลและวินยัยไม่อยู่ในกรอบหลักพระธรรมวินยัยพวกนั่นพระพุทธเจ้าเรียกพระประเภทนั้นว่าอารัชชีพวกพระอารัชชีอารัชิตาผู้ไม่มีความละอายต่อบาปอันนี้ก็คือท่านก็มีศัพท์ในยุคสมัยนั้นแล้วสรุปแล้วก็คือถึงจะบวชเป็นพระก็ตามเป็นชีก็ตามเป็นยูนิฟอร์มขาวดําก็ตาม หรือจะถือว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็ตามแต่ถ้าหากว่าไม่อยู่ในหลักพระธรรมไม่ในไม่อยู่ในกรอบของศีลธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วมีแต่ยูนิฟอร์มแต่ว่าการประพฤตินั้นไม่อยู่ในยูนิฟอร์มแต่ถ้าหากว่าเป็นยูนิฟอร์มคารวาสเต็มตัวแต่ว่าใจของท่านภาวนาอย่างที่พระเจ้าจุดโทธนะเป็นพระบิดาของพระพุทธเจ้า เมื er ith, ed, にに่อได้ฟังทำคาสอนท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต <station> ์เป็นฆราวาสท่านก็ได้ปรินิพานสันติมหามาตพอที่ฟังทำคาสอนของพระพุทธเจ้าก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์จากนั้นก็ได้เข้าสู่นิพพานมีหลายคนในครั้งพุทธกาลที่เป็นฆราวาสได้ฟังทำคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้สำเร็จพระอรหันต์จากนั้นก็เข้าสู่นิพพาน นี่แหละแต่ว่าน้อยมากถ้าจะเปรียบเทียบกับผู้ที่เข้ามาบวชปฏิบัติทางการบวชกับฆราวาสที่ได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลอย่างนั้น่ะมันเปรียบเทียบได้กับเหมือนกับขนวัวกับเขาวัวอย่างนั้นฆราวาสที่ได้สําเร็จเป็นพระอรหันเนี่ยเหมือนกับเขาวัวที่เข้ามาบวชประพฤติตนบําเพ็ญอยู่ในปา่าธงพงไพ่สู้กับกิเลสเนี่ย เหมือนกับขนวัวเปรียบเทียบได้ขนาดนั้นอ่ะแต่ว่าผู้ที่เป็นเขาวัวก็โชคดีเพราะท่านมีบุญบารมีมาเก่าแก่ที่ท่านได้บมเพ็ญอันนี้เลือกครวัตเรื่องพูดเรื่องศิลยูนิฟอร์มไม่ได้เลือกว่าจุดไหนที่จะได้สำเร็จมากสำเร็จผลเพราะสำคัญทำให้ถูกต้องสำหรับรรม ท, ทนสมาธิธทม การเดินเดินมกักสรุปก็คือทานศีลภาวนาภาวนาเนี่ยแหะก็คือสมาธิสมาธิหรือปิปัติชนะตัวนี้กว้างขวางนะนะที่นี่นะสมาธิก็ยังมีกรอบยังมีกรอบจำกัดทําจิตใจอย่างไ ง, จ ร, งจริงจะเป็นสมาธิจะกําหนดใจยังไงจริงจิตใจจริงจะสงบอันนี้ก็คือเราต้องหาวิธีเราต้องศึกษาต้องศึกษาจากครูบาอาจารย์จาก แนวทางที่ท่านได้แนะนําสั่งสอนแล้วก็นํามาปรับปรุงกายวาจาใจของเรานํามาปรับปรุงใจของเราเรื่องสมาธิเรื่องสมาธิคือให้ดูใจ เ, ออเรื่องทานในการเป็นอยู่ด้วยกันเรื่องศีลนั่ก็คือค อ, อยู่ในกฎอยู่ในชุมชนต่างคนก็ต่างรักษาของใครของเราต่างคนก็ต่างมีไฟแต่ไฟของเราให้อยู่ในกรอบอย่าไปเอาไปเผาคนอื่นเขา ถ้าหากว่าเราไม่รักษาไฟของเราเราเอาใช้โทสะไปเผาคนอื่นราคะไปเผาคนอื่นด้วยความโง่ของเราอันนั้นไปว่าเดือดร้อนอันนั้นเราใช้เนกายวาจาของเราไม่อยู่ในกรอบอันนี้นคือสิลส่วนสมาธิเนี่ยต้องดูใจใจเราคิดยังไงจึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิคิดยังไงเป็นมิจฉาทิฏฐิต้องอาศัยหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า มาเป็นแนวทางต้องศึกษาแนวทางของพุท ธ, ธะถึงให้ทําอย่างไรเพราะว่าท่านสอนบอกกล่าวไว้มากมายในธรำเรื่องสมาธินนี่ใแต่ละองค์แต่ละองค์ถ้าเราได้ศึกษาในพระไตรปิฎกพระสาวกที่ท่านได้สําเร็จมรรคสำเร็จผลแต่ละองค์ท่านทำอย่างไงวันที่ท่านได้สาเร็จ อย่างพระพุทธเจ้าได้สําเร็จพระองค์ทําอย่างไรจึงได้ตัดสรู้ในวันเดือนหกเพนนนั้นจากนั้นมาสอนพระสาว o k e ภาษาวก k e ทอย่างพระพุทธเจ้าทุกองไหมไม่ใช่พูดอย่างนั้นได้แต่ว่าแนวทางคล้ายคลยกันแต่เหมือนกับเราเดินทางเข้าไปสู่กรุงเทพอย่างไงคนทุกคนจะต้องมาถนนมิตรภาพซะก่อนจึงเข้ากรุงเทพได้ยางนั้นใช่ไหมพูดอย่างนั้นไม่ใช่ พราะว่าเดินมาจากภาคใต้ก็เดินเข้ามาได้เพชรเกษมเข้ามาได้ทางเชียงใหม่เข้าไปได้ทางภาคตะวันออกเข้ามาได้กรุงเทพแต่กรุงเทพเป็นศูนย์รวมเป็นศูนย์กลางแต่ว่าจะเดินวิธีใดซึงจะถึงกรุงเทพได้อันนั้นเราต้องศึกษาเลยถ้าเราไม่ได้ศึกษาเราไม่รู้ไม่ได้ดูแผนที่ไม่ได้ศึกษากับใครได้จินถว่าไปกรุงเทพนะั่นเราอาจจะเดินไปทางเวียงจันท์ก็ได้ ไปเวียดนามไปถึงเมืองจีนมันเลยไม่ถึงกรุงเทพยิ่งไกลไปเรื่อยยิ่งไกลขวามักผลไปเรื่อยเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ศึกษาเราไม่ได้เรียนรู้จากครูบาอาจารย์จากท่านผู้รู้แต่ถ้าเราเรียนจากท่านผู้รู้แล้วเราจะรู้จักวิธีการเดินมักสินสมาธิปัญญาเดินสู่มักผลนิพพานเดินสู่พระนิพพานทางตรงตบพระนิพพานนั้นเดินอย่างไร นี่แหะเราต้องได้รับการศึกษาเพราะวิชาในโลกทุกอย่างเขาก็ยังมีการศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าจะรู้แบบหมอชาวบ้านหรือชาวบ้านบอกกันนั้นได้เหรอะว่ายาผีบอกต้นไม้ตัว น, นั้นเอามาต้มกินนะต้นไม้ตัว น, นี้เอามาฝนกินนะเอามาต้นไม้เอามาเคี้ยวกินนะอย่างงั้นเราก็ไปเชื่ออย่างนั้นเหรอมันต้องเชื่อตามหลักวิชาการที่เขาได้เรียนมา ต้นไม้ตัวนี้มีรอยังไงมีอะไรยังไงเป็นยาอะไรก็ต้องมาวิเคราะห์ด้วยผู้ชำนาญการเราจึงตัดสินใจได้ยานี่เป็นยาอะไรถ้าว่าเราไม่ได้ศึกษาได้ยินแต่เขาพูดให้ฟังเหมือนกับยาผีบอกเราจะไว้เนื้อเชื่อใจขนาดไหนยาผีบอกมันไม่เหมือนยาวิทยาศาสตร์ยาเป็นเม็ดที่เขาได้รับการตรวจ เช็คมาเลีเรียบร้อยนี่ก็เหมือนการการศึกษาของเราเราต้องศึกษาจากท่านผู้รู้จากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าเราศึกษาจากตํำรับตําราแล้วเราจะมาเปรียบเทียบอีกกับธรรมคาสอนของพระพุทธเจา้าเข้ากันได้ไหมที่ท่านได้ตรัสรู้เข้ามาเหลี่ยมไหนท่านจึงเข้ากรุงเทพได้เดินยังไงถึงกรุงเทพจริงหรือเปล่าในกรุงเทพมันมีอะไรมีอะไรบ้างเป็นสัญลักษณ์เป็นเอกรัก น, นี่ก็เหมือนกันถ้าเดินมักไปสูม่มผลนิพพานถึงผนิพพานแล้วจริงหรือเปล่าที่เราเดินมานี่สิ่งเหล่านี้เราต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากท่านผู้รู้วิธีการเดินมักทําอย่างไรวิธีการดูจิตใจเบื้องต้นทำอย่างไงเพราะพระพุทธเจ้าว่าสติสัมปชัญญะสติเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญเป็นอันดับแรกเป็นกุญแจดอกแรกปราชญจากสติไม่ได้ ถ้าการภาวนาเพราะนั้นเรื่องสติเป็นเรื่องที่จําเป็นสําคัญเพราะนั้นพวกเราจะต้องฝึกเรื่องสติในเมื่อมีสติแล้วสติสัมปชัญญะคือสติ ค, คือความระลึกได้สัมปชัชย์คือความรู้ตัวรู้ตัวจะตรอสไปแล้วเรานั่งอยู่ที่ไหนมีสติรู้ว่าเรานั่งอยู่ที่ไหนและสติเรากําหนดเข้ามาในอารมณ์ในจมูกของเราลมหายใจเข้าออกของเราหายใจเข้าพุทให้ใจออกโท ทำไมเวลานั่งสมาธิท่านจึงให้กำหนดลมถ้าหากว่าเรานั่งอยู่นั่งสมาธิมีสติสัมปชัญญะรู้ว่าข้าพเจ้านั่งข้าพเจ้านั่งข้าพเจ้านั่งอยู่ในอย่างนี้เอเดี๋ยวเดี๋ยมก็เลือนล่างไปได้เพราะนั้นท่านจึงให้ให้จับลมในขณะที่นั่งไม่มีอะไรเคลื่อนไหวเพราะเราก็ลับตาไม่มีอะไรเคลื่อนไหวมีแต่ลมหายใจเข้าออกมีเคลื่อนไหวอ ย, อยู่อย่างเดียว เพราะนัานท่านจึงให้จับปลมหายใจเข้าหายใจออกเพราะตัวอื่นไม่เคลื่อนไม่เคลื่อนไหวแล้วเพราะเรานั่งนิ่งมีตลมหายใจเข้าออกเพราะนั้นท่านจึงให้จับปลมหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจเข้ามีสติรู้ว่าหายใจออกแต่หลวงปู่มั่นท่านบอกว่ามันโอกาสที่จะหลุดออกไปยังมีอีกอยู่ให้สำทับหายใจเข้าพดหายใจออกโถหายใจเข้าพดหายใจออกโถนี่แหละให้บริกรรมด้วยนะ ถ้าบริกรรมและใ จ, ใจใจของเราจะไม่คิดไปในอดีตมันจะไม่ไปในอนาคตมันจะอยู่ในปัจจุบันในเมื่อมันอยู่ในปัจจุบันจิตก็รวมสงบลงเป็นหนึ่งได้นี่แหละวิธีการแต่วิธีการเดินเดินทำยังไงวิธีการเดินอะไรเคลื่อนไหวขาของเราเคลื่อนไหวว่าเดินก็คือเอาเท้าเดินเพราะฉะนั้นท่านจึงให้กําหนดลงที่เท้าขาขวาพดทธขาซ้ายโถพดโถพดโ ถ, โถ ในการก้าวเดินไม่ต้องกําหนดลมในช่วงนั้นเพราะถ้ากาหนดลมมันสับสนทั้งกําหนดลมด้วยทั้งกําหนดเท้าด้วยไม่ได้มันต้องกําหนดเท้าอย่างเดียวกําหนดลมไม่ได้เวลาเดินกําหนดเท้านะเห็นได้ชัดกว่าขาขวาพุทขาซ้ายโถพุโทโถพุโทโถพุโทโถไปเรื่อยขาขวาพุทธขาซ้ายโถแอนี่แหละวิธีการทําสมาธิจากนั้นก็นเดินวิปัสสนาเลยเมื่อจิตของใจของเรารวมสงบพอสมควรแล้วก็ เริ่มเดินวิปัจนาเลยอันนี้คือสมถตที่พูดวิปัจนาเนี่ยจะต้องมีวิธีอีกกว้างขวางเราก็ต้องศึกษาอีกเหมือนกันพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านให้เดินวิปัจนานั้นท่านก้าวยังไงพิจารณาอะไรก็พูดเป็นข้าวๆเลยกรรมาฐานห้าเกสาโลมานาขาทันตาตะโจเนี่ยที่ท่านเป็นหขนทางแรกแต่อันนี้เท่านั้นใช่ไหมที่วิปัจนาไม่ใช่ ยังมีอีกแต่เราจะเดินจุดไหนก็เหมือนกับอย่างที่ว่าจะเดินเข้าสู่กรุงเทพเราจะเดินแต่ทางมิตรภาพอย่างเดียวอย่างนั้นใช่ไหมเดินกรรมาฐาน5เท่านี้ใช่ไหมจึงจะถูกต้องไม่ใช่เนี่นี่แหละเพราะนั้นพวกเราจะต้องศึกษาในเมื่อศึกษาเรารู้แนวทางแล้วก็นำมาประพฤติปฏิบัติปรปับปรุงกายวาจาใจของเราพวกเราก็จะได้รับ มักรับผลอย่างพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้พาดำเนินได้พาปฏิบัติมานะนี้พูดเป็นแนวทางสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายเพื่อการศึกษาตอนน่อไปรับพรอ น, อนโมทนาให้พร